Book 2 6หกสิบสี่การปฏิเสธหนึ่ง네덜스1ดิฉันไม่เข้าใจคำศัพท์ฉันไม่เข้าใจประโย Jeg den an, j ิ g f น r s t å r i าใจความหมา n ฉันดม่ฉันไม่เข้าใจความหมาย j ันไม่เข้าใจความหมายฉันไมคุณครูมหมา r ฉัคุณเข้าใจคุณครูไใหมคะาค่ะดิฉันเข้าใจท่านดีค่ คุณครูล่าเรียนน์คุณเข้าใจคุณครูไหมคะฟังสตอร์ดูล r าเรีย e นค่ะดิฉันเข้าใจท่านดียา่เย่ฟังสตอร์ฮั e น์ก็ผู้คน folk คุณเข้าใจผู้คนไหมคะฟังสตร์ดูดีฟอลก n นรูไม่ดิฉันไม่เข้าใจพวกเขาสักเท่าไหร่ค่ะไหนยัยฟังสตอร์ได้ไม่กู้กเพื่อนหญิงแฟนนคุณมีแฟนไหม Har du สาวลูก n าวลูกสาวลูกสาวลูกสาวลูกสาวลูกสาวลูกสาวลูกสาวลูกสาวลูกสาวลูกสาวลู่สาวลูกสาวลูกส t วลูกสาวลูนสาวลูกสาลูกสาวลูกสาวลูกสาวลู